วันนี้จะเทศเรื่อความเกิดความคนวามดับแต่ที่จริงกัรนี้เราเคยเทศมาแล้วะทศฟังอีกคนหนึ่งเพราะจิ่งนะ้ังว่ามีความเกิดก็ได้กับดับไปทั้งนั้นถ้ามีอะไรในโลกนี้ที่จะตั้งอยู่ท้าวอนเกิดขึ้นวเนื่อรวมเกิดกับดับ สันตรงกลางนั้นเสจแล้วแล้วเรื่องที่จะปรนยายต่อไปตรงกลางในวันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะทุกขเวทนาหรือทุ ข, ขเวทนาเรื่องต่างยุคยุคค่าก็อธิบายมากมายกล้องสองตอนนั้นแต่พ้อมเกิดขึ้นมาและนะ้วนั้นมันต้องดับเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านเทศนาธรรมะของจริง แต่บุคคลไม่ต้องอจากฝั่งของจริงของพรเดจาเทศชาป บ, บปิดกันไปไม่ให้เปิดเผยมันจังท่นท้าเปิดเผยมาแล้วมันไม่สนุกอยู่ในโลกนี้ไม่สนุกเห็นนั้นเพียงว่าคนที่ไปที่ไปสู่ทุกขสีนั้นมีน้อยเหลือเกินที่ไปสู่ทุกขสีนั้นมาก ก็ระมาเมื่อจัขนวัวที่อยู่ในตัวของวัวตัววัวนั่นที่ไปนรกที่ไปทุกขกติที่ไปทุปกขติมันก็เขาหัวนี่สองเขาตอนนั้นเขาหัวก็ผนหัวนั่นมันจะมากเราคิดดูคิดดูเทียบกับสังคมเป็นอยู่ของมนุษย์ชาวโลกนั้น ทั่วไปแล้วก็หน้าสมจริงอย่างเราทุกวันนี้ก็เอาเถอะในจิตใจของเราที่ราธนาความสุขพ้นจากทุกมีวันกันแต่น้อยราธนาพ้นจากทุกแต่หากแสวงหาทุกทำชีปราธนาพ้นจากทุกทจริงจังๆมีน้อยโดยเกิด ใจของเราทุกวันงง น, นี้กำเือนกันแต่ละคนละคนเนคิดดูแจของตนทุกคนนั่แล้วความเกิดขึ้นน้องได้เกิดมาได้ทุกคนนั่นเป็นที่สุดที่จะต้องรักษาสงเกิดที่ไว้ให้บริสุทธิ์หมดจดนั่นเป็นใจเพื่อพ้นจากทุกข์พระพุทธเจ้าของเง น, นิดกันขาพกทธังหลายกำเนอนกัน สังขารร่างกายนี่เกิดขึ้นมาแล้วจำเป็นจะต้องใชใ่ถูกการเวลาเหมาะสมแก่เหตุการณ์ใช่ใช่ไม่ถูกก็เป็นเรื่องเป็นเครื่องเดือดร้อนเป็นทุกข์ต่อไปในอนาคตอีกต่อไปใช่ถูกก็เป็นสุขสบายต่อไปเมื mm ่อ hmm. สังขารเกิดขึ้นมาแล้ว จำเป็นที่สุดที่ต้องมีทุก์มีสุขแต่สุขนั้นมีน้อยเือเกินในคุ้มค่าของกองทุกข์ให้คิดดูว่าแล้วเกิดขึ้นมานี่สุขอะไรพักอย่างสักนิดสุขเพราะการพามาหาเรียองชีวิต ก็จะเริญนรุ่งเรืองด้วยการธรรมหาแรงขีดไม่ฝืดเฟืองนั่นเรียกว่าทุกข์พอสมควรนะแต่ทุกข์อย่างอื่นยังมีอีกทุกข์ตกตนเต่าโศกเสียใจทาจากของรักของยาใจันทุกข์มากทีเดียวทุกข์เพราะการเจ็บการปวดก็ทุกขมากเหมือนกัน ทุกขประกอบไม่พอใจในบุคคลนั้ น, นในสิ่งนั้ น, น, นเข ท, ทุกข์มากเหมเอเอเอเอเือนกันทุกข์เราะาถรรสิ่งไหไม่สมบูรเกิดสมคำแค้นแน่นอุดาระทัทุกอย่างแต่รางนี้มากมายเยอะเจิญเกิดเงินทุกข์ความสุข ม, มีน้อยนิดเดียว โดยเฉพาะตัวขุงคนเดาคนหนึ่งไม่ต้องพูดไกลละในคณะ น, นี้นั่งอยู่นี้แหละได้จุกสะพัดเดียวเท่นะเดียวก็วเมื่อยแค้งเมื่อยขาปวดแวดท้งขาทิไปฏิภาวนั้นเดียวกว่าทุกเปลี่ยนในยาปวดแต่ละครัง้งทางนี้ได้ความสุกนิดหนึ่ง แต่มันทุกข์มากความทุกข์มันเลือยไหลเลื้อที่จะปันนานพระพุทจ้าเป็นเทสนาเกิดขึ้นมาในโลกนี้ไม่มีอะไรหรอกน่าจะทุกข์แล้วเกิดขึ้นมาแล้วดับไปทุกข์ใหม่เกิดขึ้นมาอีกทุกข์นี้ดับไปทุกข์ใหม่เกิดขึ้นมาอีก มัดทั้งโลกไม่ว่ามนุษย์ตัดก็หมดด้วยกันทักนั้นทุก็นั่งแล้วก็เปลี่ยนนิยาบททุกนั่งแล้วหายไปเกี่ยนนิยาบทนั่นก็นมีเปลี่ยนไปหาหาสุขหน่อยยิบหน่อยเพิ่สุขนิดหน่อยที่เปลี่ยนข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยมันเกี่ยนนิยาบท ขอมันทุกข์จเขาเปี่ยนยบทมันทนไม่ได้นะ่ะเรียกว่าทุกข์เหนื่อยนั่งพีดกอดชั้นนั่งไปเดินไปยืดยืดในพักหนึ่งเดี๋ยวก่อนไม่แค่งไม่ขาดอีกแล้วกนเดินพอสบายนิดหน่อยเดินไปเดินมาเดี๋ยวเหนื่อยลงนั่งอีกลงนอนอีกเนื่อยขนาดาทุกเกิดเหนอดับไป ทุกไมคก็จะมาอีกตันอย่างนี้แหละไม่มีที่สิ้นสุดทั้งผีในระยะที่เรามีชีวิตอยู่ทนทุกข์นี้ตลอดตลอดชีวิตยิ่งแก่ยิ่งเฒ่ายิ่งลากวดแคงเมื่อยขาตรบัดทุกอย่างไปมาที่ไหนก็ได้จักไม่เท่าสามขา ข้ามยันไปจะรูปก่อนไปยุนขึ้นเกาะไม้เกาะไรอะไรยืนขึ้นนอนถ็อ้อเกาะไม้เกาะไรยิ่งเคยนอนตรงใดทำงั้นล้มตึงเลย ท, ที่พระเจ้าทั้งสอนอย่างนี้สอนให้พวกเรารู้ตัว เรไ ม, มทุกอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันทุกข์อีกอย่างนี้แหละจะมีใครจะคนสักคนเดียวเหมืนอนสมมติทุกข์เพราะการอาชีพหาอยูย่หาจิตเอาละสมมติว่าร่งรวยหาอยู่พอจริงกอไ ด, ด้ร่ำรวยแั้วอดไม่จดแต่การหาเนี่ยก็เรียกว่าทุกข์แล้ว แสวงหานันทุกอยู่แล้วบางทีก็ตกเหมาะได้ดีบางทีก็ม ไ, ไม่ได้ไม่ขาดซึแขนด้วยประการกต่างๆกว่าที่มาถึงป่าขึ้นข้อแล้วโอ้ยเนนานแสนนานทั้ของที่หามานันน่ะกว่าจะถึงป่าขึงข้อที่มันไม่ใช่ของง่าย ฉันถึงป่าถึงท่อแล้วก็สบาย ห, หน่อยความนี้เดียวจะเราถึงนําคอเท่านั้นครับหายยากแสนยากมีรสชาตินิดเดียวจะเจียงนําคอเจ็บปลายลิ้นเท่านั้นหลงไปแล้วก็หายไม่มีอะไรหรอกไม่ไม่รู้สึกอะไรหนระับในตอนมันถ่ายการีดเขาเรียก ว, ว่าถ่ายทุกข์ทรมงคลจริงๆเลยจัง ถ้าไม่ทุกไม่ถ่ายถ้าไม่ทุกมันก็ไม่ถ่ายถ่ายมันก็แสนทุกเแสนลำบากที่สุดต้องปกปิดกำ บ, บงังสาระพัดทุกอย่างมันมีเรีย่ยวมาทุกทั้งนั้นที่เงือนืน อ, น, นอกจากนั้นต้องให้ค้าและพิจารณาเองเรือหลายที่สุดที่จะต้องพัฒ น, นาวันข้ามลอยมีที่สิ้นสุด แต่เราไม่พูดถึ ง, ถ ง, ถงทุกสายสายที่หนาตัวเราจะเห็นก็ต้องเรียนจะรู้ต้องปิดไว้น่ะเนี่ย น, น, นี้พระเจ้านั้นเปิดเผยเปิดให้รู้ทั่วทั้งมวลทุกคนทั้งแต่เด็กแต่แรกถึงผู้ใหญ่ขู้เฒ่าผูงแก่เปิดโอ ม, มดทุกอย่าง นี่เรียกว่าทุกในระยะที่ควาเกิดขึ้นมาที่เป็นอยู่ในชีวิตอยู่แล้วครานนี้เมือเม่อเมื่อดับแล้วกันบางคนนะ่ะแสนทุเรศทุรังกลัวที่จะแตกจะดับกว่าที่จะตายบางคนก็ตายง่ายสบายหน่อยในชีวิตของคนเราก็เพียงแค่นั้นแหละเกิดจะดับ เมื่ อ, อยังเป็นคนอยู่ยังมีชีวิตอยู่ทําบ้านทำเรือในใหญ่โตฐานมีพ่อมีพี่คับมีอะไรต่างหลายเรื่องหลายอย่างเท่าไรก็ไม่พอเวลาตายแล้วมันมีอะไรหรอกกระดานตีแผ่นเท่านั้นแหละหมดเรื่องไปเขาเผาตั้มอีกตามแต่ก็ไม่ได้ความนั่นทําไว้อะไรมากมาย บ้านเรือนบ้านช่างสถานที่ต่างๆทำไว้ดู้าไม่อีกไม่พอเปยทักทีแต่เวลาตายแล้วเขาไม่ให้เราของคนร้องขอเ อ, อาท่ายมาก็ไม่ได้ไม่ขออะไรถ้าเห็นใครไปสักคนเดียวมีเติบุญและบาปี่ติดตามตัวของไฟของเราไปทท่านั้น บุญทิดตามตัวองเราไปเหมือนกันบุญบาปก็ทิดตามตัวของเราไปาบุญเรื่องบาทนี้ไม่ได้หาไปก่นอนไม่ได้แส่กระเป๋าหิ้วไปไม่หนักไม่หนาได้มันหาบันมมดานเกิดขึเองมันอยู่ที่ใจของคนเราการทำชั่วก็เศร้าหมองในใจ เดือดร้อนภายในใจกุ้มใจอยู่นั่นฮะตายไปแล้วก็ยังกุ้มใจอยูอย่อย่างนั้นติดตามตัวของเราไปอยู่อย่างนั้นเห็นไหมคมชั่วอย่า ท, ทําำุดีขัวกุฎิเจ้าเทศสนานั่นทำนั้นมีการไม่มไ ม, ไม่มีการแก้ไขแก้ไขไม่ได้เลย ยังเราทำกรรมกรรเวรคิ์ชายใจใจเกานืออย่างเี้ยฆ่าฟันเขาเวลาตายแล้วติดตามตัวงเราไปคมเร้าหมองอะไหลดือดร้อนในไายนเ้าจะช่วยแก้ก็ไม่ได้ฮัทสแนตคมบ์แก้ก็ไม่ได้ผู้ทาษาผู้ท้าสาก็ไม่ได้ไปนู่นไานี่ไที่หวานที่าสาจริง การนี้หมดแล้วหมดปีญญาเนี่ครับนี่ใครจะรับรู้รับเห็นด้วยเร า, า, านคนเดียวบุตรนัญญาซาณีไม่ตามไม่ัดคนเดียวสายตากายแน่ก็ไม่ชัดความดีก็เหมือนสันไม่ได้ขาด้นหิวไม่ได้เจดกระเป๋าคนได้ด้วย เป็นหน้าเลยเมันเทืควคนดีอี่มอกอย่นใจถมบุญกุศลจึงใดไว้แล้วเพื่เพล่นอิมมอกอิ่มใจ้วยคุณคุณงานคมดีนั้นไปสู่ทุขติก็มีใครไปด้วยหรือไมกันญาณบุตรรญาณมีโดยการเรียนรู้คนมีศรัทธาคนมีศรัทธา ชัดทีว่าได้ทำมันต้องไปทำมันคนที่ไปทําด้วยกันมันต่างคนต่างได้แต่คนมีสาขาเต็มที่ก็เอาเต็มให้เต็มที่เลยของอีกอเงเงินใจของเขามันก็มีเพี่ยงขอเต็มที่เหมือนกันเห็นนั่นยังว่ามันไม่ติดผันกันดอกคอกันของใครของมัน แล้วจะมีใครไปส่งเสียด้วยตายไปไนหะ้นี่ใครไปส่งเสียแล้วส่งมันได้เพียงแค่สองปอนนั่นแหะเพียงแค่ประช้าเท้านั้นทำไมทราบใครไม่รทราบวันไปไหนแล้วหระมันตัวใจแค่จริงจริงในใจส่งือร่างกายนี่แหละเขาเขาเท่านั้นแหละสมมุติท่านได้เกียรติหนะมีผู้คนญาญโญพี่น้องยนะ วงทั้งหลายไปมากเรื่องมีเขียนมีนาแค่ทจริงเรว่เขากันไม่ใช่สมชื่นชั้นฟ้าสวรรค์้ะไรหรอกและนิมาเงินนิมาทองขึ้นชั้นประโยชน์ชันฟ้าสวรรค์ไม่มีใครไปสร้างอะไรมันอุบัติมันเกิดขึ้นมาเองยังเรียกว่าของคิด งานจนิงแล้วแมไม่มีใครตกแต่งให้มันตาโดกดขึ้นเองมันอิ่มเองมันพอใจเองเรื่องนั้นควรดีควรชอบสิ่งที่เราทำเป็นของตัวแท้ๆไม่ใช่ของคนอื่นที่ไหนก่อนเป็นควรทำในเมื่อเรามีชีวิตอยู่ รีดทำเออเจี๊ยบแก่เท่าชราหรือชั่ไปแล้วทำไม่ได้่มันระดับแล้วก็ทำ ไ, ไม่ได้ทั้งตั้งทำเสียหนงเมื่อมีชีวิตอยู่นี้บางคนน่งมีเงินมีทองมีเข้าของสิ่งเลยเอาไว้เมื่อตายแล้วไปทำปันหาต้องการหน้าเจียรตสงหารนั้นต้องการชื่อเสียง เขาทำก็เห็นไม่เห็นเขาไม่ทำก็ไม่เห็นหรอกทำเมืเ่อตายไปแลคนที่จะทําบุญได้บุญสามการในเมื่อเราจะทํามคิดจะถามก็อิม่มอิ่มใจเป็นบุญแต่เบื้องต้นเมื่อเราทําอยู่ก็เกิดจีดีเพื่อเพลินอิออ่มใจเมื่อเห็นทยายาทันที่เรา การสดงที่เราทำ น, นั้นเมื่อเราทำแล้วแล้วลึกขึ้นมาเวลาใดก็ เ, เป็นบุญอยู่ตลอดเวลาเท่าปีคิปีแล้วลึกคิดถึงบุญนั้นปีมันก็เปลี่ยนใจเป็นบุญอยู่ตลอดสามการจึงว่าบุญก็สนเรื่องของควรทำได้มาก ไม่เมืม่อมีชีวิตจิตธรรมเสียตายไปแล้วไม่จับเขาจะทำให้ไม่ทําก็ตามสุดเขาทําเพื่อการโยกการเวทีตา่างหากเมื่อตายไปแล้ววิญญาณไม่อยู่ไหนที่แน่นอกเขาทําเพื่อการเวทีตอบแทนบุญคุณขั้งสุดท้าย ามเพื่อใหนองคุณที่เราทำให้แกเขานั่นเองแต่ตัววิญญาณจริงๆาจนจังไม่ทราบไปไหนแล้วเนี่ยธรรมเทศนาที่แสดงว่าความเกิดกับความดับเทานั้นะพูดถึงดกต้นกับปลายขั้นกา ร, รันเยอะแยะ มากมายเหลือ เ, เกินพระพุทธเจ้าดันเทศนาทุกเป็นของควรกําหนดชมุงมูทัยเป็นของควรหลกักคือความทะเยอทยานที่โลนั่นเองหากจะมีปัญหาถามว่ามันมีความทะเยอทยานบ้านโนม่เจริญโอ้อย่าไปยานจะไปตัวมันเลย มันเป็นเองเมื่อเราห้ามอยู่ตอนนั้นพุทธเ้ายังเป็นเองอยู่มันความพยอะทยาลนอย่างนี้อย่างไรแต่มันมันเป็นนิสัยอยู่แล้วพุทเจ้าห้ามอยู่ปอนนั้ น, นก็ยังดื้อด้านอยู่อย่าไปกลัวมันเลย่องกลัวที่มันจะไม่พยอะทยานนี้หลนขอให้ทําใจของเราเนี่ยนะให้มันสงบอยู่อย่ามันเทยเยอยทยานิลนแต่ตอนนั้นมันก็ยังเยโยทยานิลนอย่เสม รู้ตัวไม่อยู่ไมเียงไม่คลนจากคนที่เยอที่ยัง่งนักศึกษาอะไรที่คนที่ยังไม่รู้พระธะไม่ทำภาหนาทำสมาธิไม่รู้สีคงตุกคนเร า, าทั้งกลัวโลกที่ทิหายอพรผเจ้งไมากลัวโรคทิพไหเพราะได้ทำทิพไหอย่างเดียวถ้าทำทิพไหแลโรคนี่ขึ้นไหวเดือดร้อนทิพไหหมด แต่นี่อาศัยธรรมนี้อยู่โลกยังค่อยฟ้าผดอยู่เดี๋ยวนี้ธรรมคืออะไรคือความพอดีพองาบรู้จักประมาณพอสมควรไม่เคยเยียวยาดินรถนั่นเองนั่นแหละเป็นธรรมรู้จกักเกิดแก่เจ็บตายาเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เนื่อพิจาเห็นเรื่องนี้เป็นทุกบรรดาศัตรูทั้งหลายเกิดแก่จะตายก็เป็นทุกข์เหมือนกันพอเอ็นดูเมตตาศัตรูทั้งหลายมนุษย์ทั้งปวงวัดเกิดแก่จะตายเป็ทุกข์จึงค่อยสมคบสมหาเพน่อนกันเห็นดูเมตตาทพื่อนกันอันนี้แหละเป็นทัพถ้ามีเราเน้น้งหมดเรื่องโลกสุวรรณวายเหลือดรอนที่ขหายวัดพูดเฉยเฉยนี่แหละกลัวกลัวจะไม่เจริญกลัวบ้านเมืองจะไม่เจริญ ให้ภาวนาเป็นไปไค่ก่อนเึ็นจะรู้เรื่องวความกลมเจริญคืออะไรความเสื่อมคืออะไรมันเกิดจากอะไรกันแน่นี่อธิบายทเรนยังทำมังเกิดสืกความดับอริยสติเปลี่ยนแค่นี้ฟังแล้วทำตามนั่นีอท่านเรียกว่าฟังทำ ฟังเทศ น, น์ฟังบอกเล่าเฉยๆแล้วก็ไม่ทำอันนั้นเรียกว่าฟังเทศได้ประโยชน์น้อยฟังแล้วทดลองทำตามดูได้ประโยชน์มากพระพุทธเจ้าท่านสอนให้กระทำไม่ได้สอนเฉยเมื่อพระพุทธเจ้าล่วงเลยไปดับล่วงเลยไปนานแล้ว ได้ขังต่อนักปเจ้าวมาเลยมาอวดอ้างกันได้ทั้งนั้นใด้ทั้งนี้อะไรต่างแต่ทั้งทิ้นทั้โพงทั้งเอกประโยชน์หาประโยชน์อกประโยชน์เก้าเอามาอวดอ้างกันเกิดการทําไม่มีในคนที่ฝึกนั่นก็ได้แต่คำพี่ได้แต่คมพีไว้เจอยแล้วปฏิจจาวันะ เ, ทเทศสนาว่าโปะ โอทิกะคือคำทีเปล่ า, เ, ลาเหมือนกับคนเลี้ยงงวไม่ได้กินนมงวเจ้าของนั้นพูดทีเขาไม่ได้เลี้ยงหรอกแต่เขาเป็นเจ้าของได้กินนมงวเราฟังธรรมจึงพากาันธรรมต่าง แต่การก็ทำไม่ใช่ทำให้ง่ายมันทำไปนิดหน่อยก็เห็นมันยากลำบากใจก็เลยละเลงเสียคล้องมันง่ายมันจะทำได้ดีหรือควาองง่ายนั้นมันหามันดีมันจะดีกว่าทั้งบ้านทั้งเมืองก็สิมันค้องทำยันยากนะเนอะมันจะดีมีราคาสูงนะ อฟังแต่เรื่องนิทานฟังเทศใน เ, เสน่ห์ว่าผลนิพพานในเวลาขณะนั่งอยู่อู้ยันนั้นมันมากมายมาแล้วท่านทรมาแต่ก่อนแต่เก่ามันก็ผลไม่เลยมันซุกมนได้ไปสวยไปเดียวมันจะลน่น ไ, ไปสั่นต้นมันจะ ล, นล่นเออเราจะไปเอาเงินม ไ, ไม่ได้รอบตัวเราไม่เจ้าว่ะ มันแก่มาแค่ไหนแล้วใจของเรามันแก่ไปแค่ไหนแล้วดูใจของเราก็รู้เรื่องมันฟักไฟจริงๆจริงไหมในธรรมะทั้งสอนพระเจ้านะั้นมันดีพอจริงจริงไหมคนที่ท่านไปพอเป็นที่แล้วหาที่สุดหาจนถึงที่สุดไม่ได้ฟักไฟในธรรมะจริจริงหรือจังพอมี ทันผู้รู้ไปเทศให้ฟังอธิบายฟังมันก็เกิดความรู้ขึ้นมาโอ้นี่หนอะมันอ้อลงมนาะลงมัง อ, อนะ้อเนี่ยเราในฟักไฟอย่างท่านแล้วอยากจะฟังอยากจะได้ความรู้ไปเดียวกระดาวนั้ น, ม, นมันไม่ได้หรอความอยากได้ในะอยากได้ความรู้นะั้นะมันเป็นตัญหามิใช่หรือความอยากได้ไม่ได้หรอ เวลาไม่ได้ได้จริงๆอย่างมันปล่อยวางมัดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นมันไม่ก็ได้เลมาเหตุนั่นจิงว่าการทำนั่นเป็นการดีมากได้อดทนต่อสู้ต่อปัจจัต่างๆในการนั่งแล้วไปจะได้ต่อต่อสู้ปัจจัมีเก็บเมื่อยนั่นเองต่าง ถ้านเที่ยวทุ่นดงลคา